ชีวประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนเสนอตอนที่ส4สมมุติวิมุตติและความบริสุทธิ์ไม่ยิ่งย่อนกว่ากัน องพระหลวนตามหาบุวญาสัมปันโนได้ให้อาวาตธรรมเอาไว้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ได้ยินได้ฟังโดยไม่ต้องได้ค้นคว้าหาวิชาประเภทนี้เพียงบำเพ็ญตามพระโอาวาทคำสอนของพระพุทธเจ้ายังถือว่าเป็นความลำบากลำบนให้กิเลสหยียบย่ำทำลายหรือถอนศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือของมันเสียจนสิ้นแล้วเราจะหวังประโยชน์อะไรจากความเป็นมนุษย์ และเราหวังความสุขความเจริญจากอะไรตามหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังสาปัญญาเมื่อมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วย่อมดำเนินตนได้ด้วยความคล่องตัวสะดวกและกล้าวกล้าว่องไวเมื่อได้ใช้ปัญญาพินพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายมีกายคตาสติเป็นสาคัญคือกายของเรา กายภายในกายภายนอกกายเขากายเรากายสัตว์กายบุคคลพิจารณาแยกแยะออกได้หลายอย่างหลายแขนงออกได้หลายอุบายตามแต่ปัญญาที่จะพิจารณาให้แยกขายไปในทางใดส่วนมากมักจะแยกแยะออกไปในทางด้านอสุภะคือขวาไม่สวยไม่งามมีเพียงนังนหุ้มอยู่เท่านั้นเมื่อปัญญาได้ส่องทะลุเข้าไปย่อมเห็นความจริงตามที่มีอยู่ภายในร่างกายทุกส่วน ได้โดยลำดับและได้อยากเจนเรียกว่าปัญญาคำว่าศรัทธาปริยสติสมานยาไ้ตามๆกันในพระห้าประการนี้พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยาสัมปันโน ได้เล่าชี้ว่าประวัติของท่านต่อไปอีกว่าความรู้ล้วนๆนี้เราพูดไม่ได้ว่าเป็นจุดอยู่หน้าที่ใดในร่างกายของเราทําไมจึงเรียกว่าจิตเป็นสมมติกับจิตเป็นริมมตดเล่ามันกลายเป็นจิตสองดวงอย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นจิต ด, ดวงเดียวนั่นแหละที่มีสมมติคือกิเลสอาสวะครอบอยู่นั้นเป็นกิเลสลักษณะหนึ่งแต่เมื่อได้ถูกชําระด้วยปัญญาจนกิเลสลักษณะนั้นแตกกระจายไปหมดแล้ว ส่วนจิตแท้ทำแท้ที่ทนต่อการตรีสูตรไม่ได้สลายไปด้วยสลายไปแต่สิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่แทรกอยู่ในจิตเท่านั้นเพราะกิเลสอาสวะแม้จะละเอียดเพียงใดก็ตามมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและเป็นสมมุติอยู่โดยดีเมื่อสิ่งนี้สลายไปจิตแท้เหนือสมมติจึงปรากฏตัวอย่างเต็มที่ที่เรียกว่าวิมุติจิตสิ่งนี้และทา่เรียกว่าจิตบริสุทธิ์ ขาดจากความสืบต่อเกี่ยวเนึ่งใดๆทั้งสิ้นหรือ แ, แต่ความรู้ล้วนๆที่บริสุทธิ์สส่วนอย่างเดียวความรู้ล้วนนี้เราผู้ไม่ได้ว่าเป็นจุดอยู่ณที่ใดในร่างกายของเราแต่ก่อนเป็นจุดเด่นรู้เห็นได้อย่างชัดเจนสมาธิเราก็ทราบว่าอยู่ในท่ามกลางอกความรู้เด่นอยู่ตรงนั้นความสงบเด่นอยู่ที่ตรงนั้นความสว่างความผ่องใสของจิตเด่นอยู่ที่ตรงนั้นอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องไปถามใคร บรรดาท่านผู้มีจิตสงบเป็นฐานแห่งสมาธิแล้วจะปรากฏชัดเจนว่าจุดผู้รู้เด่นอยู่ท่ามกลางอกนี้จริงๆทั้งสิ้นไม่มีการถกเถียงกันว่ามันอยู่สมองเป็นต้นดังผู้ที่ไม่เคยรู้เคยเห็นทางด้านสมาธิภาวนาพูดกันหรือถกเถียงกันเสมอในที่ทั่วไปเวลาจิตนี้กลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วจุดนั้นหายไปจึงพูดไม่ได้ว่าจิตนี้อยู่เบื้องบนเบื้องล่างหรืออยู่สถานที่ใดเพราะเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ด้วย เป็นความรู้ที่ละเอียดสุขุมเหนือสมมติใดๆด้วยแม้เช่นนั้นก็ยังแยกเป็นสมมุติมาพูดว่าละเอียดสุดซึ่งไม่ตรงต่อความจริงนักเลยคำว่าละเอียดสุดมันต้องเป็นสมมติอันหนึ่งจึงพูดไม่ได้ว่าอยู่สูงอยู่ต่ำมีจุดมีต่อมอยู่ที่ไหนไม่มีเลยมีแต่ความรู้เท่านั้นไม่มีอะไรเข้าไปแทรกซึมแม้จะอยู่ในธาตุในขันซึ่งเคยคลคล้ากันมาก่อนก็ไม่เป็นเช่นนั้นอีกแล้วกลับเป็นคนละโลกไปแล้ว ทราบได้อย่างชัดเจนขันก็คือขันจิตก็คือจิตกายก็เป็นกายเวทนาสัญญาสังขารดิญญาณที่มีอยู่ภายในร่างกายนี้ก็เป็นขันแต่ละอย่างแต่ละอย่างส่วนเวทนาในจิตนั้นไม่มีนับแต่จิตได้หุดพ้นกิเลสทั้งมวลไปแล้วบรรดาพระอรหันต์ตะคีนาศพทั้งหลายนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาเสมอกันด้วยความบริสุทธิ์ดังที่ท่านพระอาจารย์มั่นแสดงเรื่องนิมิตว่าพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาล ท่านเคารพกันอย่างไรปรากฏในนิมิตบอกทันทีว่าบรรดาพระสงฆ์สาวกทั้งหลายหลั่งไหลมาพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาใครมาถึงก่อนนั่งก่อนเป็นลําดับลําดับตามที่มาถึงก่อนถึงทีหลังไม่ได้คํานึงถึงอาวุโสกันพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงทีหลังก็ประทับอยู่ทางท้ายสงโน้นท่านพระจารย์มั่นก็เกิดปริติตกขึ้นมาว่าเพราะเหตุไรจึงเป็นอย่างนั้นความเคารพกันครั้งพุทธการเป็นอย่างนั้นหรือ ก็รู้ขึ้นมาทันทีว่านี้คือวิสุทธิธรรมเส ม, มอกันอย่างนี้ไม่ว่าใครมาก่อนมาหลังนั่งตามลำดับที่มาคือความเป็นเสมอภาคไม่ว่าผู้น้อยผู้ใหญ่อาวุโสพันเตเพราะความบริสุทธิ์เส ม, มอกันท่านพระจ่ายมั่นตรีวิตกว่าถ้าเคารพตามสมมุติแล้วความเคารพกันของท่านจะเป็นอย่างไรหนอท่านพลิกพริบเดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้าแล้ว บรรดาพระสาวกทั้งหลายเรียงตามลำดับบรรดานี่คือการเคารพกันโดยทางสมมุติความเคารพในทางสมมุติเป็นอย่างนี้นี่ตามอวุโสพันเตอย่างนี้ท่านแยกทั้งลิมุติทั้งสมมติให้เห็นอย่างชัดเจนการเคารพกันก็ไม่มีอะไรจะยิ่งจะนวนยิ่งกว่าท่านผู้สิ่งเกิเอเคารพกันไม่มีพิธีรีตรองอะไรอะไรไม่เป็นอะไรอะไรเล่่เลเลเลเล่เหล่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ เคารพกุณธรรมเคารพความจริงการเคารพความจริงด้วยความจริงภายในใจนี้ท่านจริงทำได้สนิทส่วนผูุ้ชนจำพวกชนด่าเวลาแสดงออกทางมารยาทนั้นดูสวยงามแต่งามในลักษณะตกแต่งไม่ใช่ตัวจริงออกมาจากของจริงคือธรรมะแท้แต่ภายในมันแข็งทื่อไม่เหมาะสมกันกับอาการภายนอกที่อ่อนโยนในการแสดงออกฉะนั้นโลกจริงลุ่มๆุ่มดอนดอนสูงๆต่ำตำ ไม่สม่ำเสมอเหมือนกับความจริงที่เป็นของออกมาจากความจริงแท้เพราะแม่ครูจานมั่นท่านเคยเทศในถ้ำกลางสานุสิตบ่อยครั้งว่าธรรมของพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นของจริงแต่เมื่อสิงสถิตยอยู่กับปุถุชนธรรมนั้นก็กลายเป็นของปลอมครั้นสิงสถิตยอยู่กับพระอริยเจ้าจึงเป็นของจริงตามส่วนแห่งธรรมและภูมิธรรมของผู้บรรลุคนที่รู้จักธรรมพอ ง, งูงูปลาปลากับคนที่ไม่รู้จักธรรมเสียเลย คนเหล่านี้จะไม่สามารถรู้ธรรมว่าเป็นของจริงหรือของปลอมได้เลยแต่คนที่รู้จักธรรมแท้พร้อมทั้งที่เกิดแห่งธรรมและที่ดับแห่งธรรมโดยรอบๆด้วยปัญญาและพร้อมทั้งความไม่ถือมั่นยึดมั่นในธรรมผู้นี้เองจะสามารถรู้จักธรรมที่แท้จริงหรือธรรมปลอมในเมื่อทําสิงสถิตอยู่กับบุคคลนั้นๆได้อย่างชัดเจน